อ่าเสร็จแล้วณตอนนี้ท่านบอกว่าการบวชเป็นทางปลอดโปรง่งโปร่งหลายอย่างนะแต่ว่าอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเขาเองเพราะผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ให้บริบูรณ์โดยส่วนเดียวดุดสังที่เขาขัดไม่ใช่ทำได้ง่ายต่อมาเขาจึงละกองสมบัติของกินของใช้น้อยใหญ่ละเครือญาติน้อยใหญ่โกนผมและหนวด รุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบรรพชิตอันนี้หมายถึงผู้ที่ศรัทธาแล้วก็เข้าใจจะรู้เลยว่าไม่มีทางอื่นมีทางนี้ทางเดียวจริงๆถ้าอยากที่จะลดละ ก, กิเลสตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นคุณไม่มีทางอื่นเลยที่จะทําได้สะดวกสบายแล้วก็ทําได้เร็วทําได้ราบรื่นนได้ดีเท่ากับมาบวช ถ้าอยู่ในเพศค า, า, ารวะไม่ใช่ปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิบัติได้บรรลุจนไปพระอรหันต์ก็ได้แต่ยากยากมากๆในที่สุดคุณอยู่ในสังคมทุกวันนี้คุณก็ต้องพึ่งเงินทองเข้าของออก็หนีไม่พ้นนี่เมื่อจะพึ่งเงินทองเข้าของคุณที่จะไปขอใครต่อใครเขาเอาเดี๋ยวเขาก็ว่าเอามือเท้าก็ดีนะบางทียังหนุบยังแน่น เอาทำไมไม่ไปทำงานทำการฐ า, านกิญาทองไม่เที่ยวมาขอคนอื่นเขาเป็นขอทานได้ยังไงเพราะฉะนั้นอนะุณทนอยู่ในสภาพสังคมไม่ได้หรอกแต่ถ้าล่ะมาบวชเป็นพระคุณไปเดินขอเหมือนกันเน่ยเขาเรียกเดินขอบินทบาทเนี่ยใช่ไหมจะอะไรนะผู้ข อ, อ, อพิกขุเนี่ยแปลว่าผู้ผู้ขอแต่จริงๆแล้ว มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะแต่อันนี้เขาแปลตามภาษาเขาแปลว่าผู้อขออย่างจริงไม่ใช่ไปเนี่ ย, ยจริงๆแล้วไม่จะไปขอแต่ว่ารู้ว่าพระที่ดีที่ถูกต้องนในาศาสนาพูดแล้วท่านไม่มีอะไรเลยเนี่ยท่านเดินมาอย่างเงี้ยคนที่ขอจริงๆน่ยคือคนที่จะมาให้นะอย่างุณจะใส่บาตรเนี่ยุณต้องขอท่านนิมนต์ค่ะนิมนต์ครับ คุณต้องนิมนต์คุณต้องเป็นฝ่ายขอถ้าคุณไม่ขอถ้าเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นสมณนาของชาวโสดถ้าคุณไม่บอกนิมนต์อย่างนี้ท่านก็เดินไปเรื่อยๆท่านก็เดินไปเรื่อยๆหรือถ้าคุณไม่นิมนต์คุณก็ต้องแสดงอาการให้รู้ว่าคุณจะใส่บาตรท่านนะที่เขาจะเรียกว่าจบก็ตามหรือว่าเขาจะอะไรนะยกถ้วยยกชามยกถาด นะ่าให้แสดงให้รู้ว่าต้องการจะใส่ให้ออย่างเงี้ยถึงจะหยุดรอรับให้เพราะว่าแสดงอาการอย่างนั้นก็เหมือนกับแสดงอาการบอกละขอให้ท่านมารับบาทรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ภิกษุเป็นผู้ขอนะยกเว้นไม่ใช่ภิกษุแต่ว่ามาสวมจีวรเ อ, อแล้วก็ไปยืนรอ เมื่อไรเหยื่อจะมายืนรอตามตลาดมั่งตามอะไรอนะ่ะย่านชุมชนบั่งจำได้มาตอนนั้นที่เขามาออกรายการเจาะใจที่อสิงคโปร์หรือไงที่สิงคโปร์มั่งโอ้โหบอกรายได้ดีเหลือเกินเลยเพราะที่นั่นเขาศรัทธากันมากนะเขาบ อ, อกไปยืนไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงอะเดี๋ยวเะโอโได้ดังไม่รู้เท่าไหร่ได้เป็น หมื่นเลนะได้นับเป็นเงินไทยนี่เป็นหมื่นๆเลยนะผมบอกโอ้โหโสบายเลยณด้านตะนาะมาหากินในชุดจีวรซึ่งอนั้นไม่ต้องไปพูดถึงแนละ้วแย่ยทําให้ศาสนาเสื่อมหมดเพราะว่าถ้าคนเขารู้ความเป็นจริงใครเขาอยากจะไปคราวนี้ใครเขาอยากจะไปทําบุญใส่บาตรพระอีกอะ เพราะเขาไม่รู้นี่ใครดีใครปลอมยังไงไม่ได้เขียนชื่อไว้ไม่ได้เขียนไว้ที่นาภากให้รู้นี่ก็ไม่รู้สิว่าดีไม่ดียังไงเออแต่ว่าถ้าเสียชื่อเสียงไปแล้วใช่ไหมเขาก็เหมาหมดแหละนอกจากคราวนี้เขาไปรู้จักชัดเจนมาเ อ, อิดรูปนี้ที่ท่านดีจริงๆนะเขาก็ถึงทําบุญไม่อย่างงั้นโดยทั่วไปเขาที่เลิกทําบุญสังเกตแม้ช่วงไหนที่ มีข่าวคราวเกลียดกับพระไม่ดีลงหนังสือพิมพ์เยอะๆหรือว่ามีข่าววิทยุโทรทัศน์อะไรออกมาเนี่ยช่วงนั้นเน่ยนะปรากฏว่าพระทั่วๆไปเนี่ยท่านก็บอกบอกข่าวบอกอะไรมาเหมือนกันนะบอกโอ้โหอะไรได้ตกจริงเลยนะเพราะชาวบ้านเขาก็ไม่พอใจเขาไม่ชอบใจเขาไม่ไม่ทำบุญเขาไม่ใส่บาตรจริงๆด้วยออา นะอา้าวอันนี้ก็พูดให้ฟังตามความเป็นจริงของสังคมทุกวันเนี้ยนะในที่สุดนั่นแหละสภาพมาบวชแล้วเนี่ยจริงๆเป็นทางปลอดโปรง่งนะเป็นที่ศรัทธาของผู้ที่ตั้งใจมาปฏิบัติจริงๆแต่เมื่อมาปฏิบัติแล้วเนี่ยก็ต้องทําจริงๆนะโกนผมโกนหนวดนุด่งห่มผ้ากาสาวพัดผ้ากาสาวพัดเนี่ยสำนวนในพระไตรปิฎกบางทีใช้ว่า ธงชัยของพระอระหรันตะ์พราะกาสาวพัทเรียกเรียกเยอะเรียกหลายอย่างเรียกผ่ายอมนําฝาดพาะกาสาวพัทเนี่ยนะอันเนี้ก็คือธงชัยของพระอระหรันต์ธงธงเนี่ยนะธงอะไรเนะี่ยที่โบกสะบัดเนี่ยธงชัยก็นหมายถึงอะไรคำว่าธงชัยแปลว่าอธงแห่งชัยชนะ เป็นพระอรหันต์กชนะอะไรออชนะกิเลสได้สิ้นเกลี้ยงเนี่ยเขาเรียกว่าธงชัยของพระรอรหันต์เสร็จ้เราฟังอีกสูตรหนึ่งนะคราวนี้บวชแล้วนะออในสมัยใดพระอริยสาวกคิดเพื่อจะปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกบวชเป็นบรรพชิตในสมัยนั้นเสียงของเทวดาย่อมเปล่งออกไปในเหล่าเทวดาว่า พระอริยสาวกนี้ย่อมคิดเพื่อทําสงครามกับมารสูตรนี้อาจามามาพูดให้พวกเราฟังบ่อยเพราะชอบมากเลยไม่รู้คนอื่นฟังแล้วประทับใจด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเวลาไหนก็นตามพระอริยสาวกคําว่าอาริยสาวกเนี่ยหมายถึงว่าผู้ที่เป็นพระอริยะและ้วหรือผู้ที่มีสัมมาทิฐิแล้วเข้ากระแสแล้ว กระแสสัมมาทิฏฐิชัดเจนถูกต้องแล้วเวลาไหนก็ตาแมแหมคิดเพื่อที่จะปลงผมละนะคือคิดเพื่อที่จะบวชเนี่ย <c oughs> เพียงแค่คิดนะคิดเพื่อจะบวชเนี่ยโอ้โหโเทวดาแท่ซองอย่างเลยรู้แล้วนะเทวดาคือพวกไหนวันนี้ได้ยินเสียงเทวดาแท้ซองบ้างรอเปล่านะบนบวชอะได้ยินรึเปล่าเวลาตอนจบอะพันเตอ พระอุปชาที่ท่านเป็นประธานในการนำนำสามเณรเข้าในการบวชนะท่านก็บอกว่าใครที่ยินดีจะร่วมอนุอนโมทนานะในการบวชของสมณะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอให้เปล่งกล่าวอนุโมทนาก็เปล่งว่าสาธุ สาธุปแปล ว, ว่าเอาว่าดีแล้วประเสริฐแล้วนะอันนี้แหละเนี่ยเราเทวดาก็แหมเปล่งเสียงออกมาเลยนะพอเห็นว่าคนกําลังจะบวชเนี่ยทําไมถึงเปล่งกล่าวเพราะเทวดาเนี่ยคิดว่าเนี่ยพระอริยะนี้ย่อมคิดเพื่อทําสงฆามกับมารเทวดาคิดว่าโอ้โหนี่ผู้นี้ผู้นี้ผู้นี้กําลังจะทําสงฆามกับมารแล้ว มารคือใครอมารก็คือเราแหละกิเลสของเราไม่ใช่ไม่ใช่คนอื่นนะอย่าไปบอกว่ามา น, นี่คือคนอื่นมา น, นี่คือเราแต่คือกิเลส ข, ของเราให้รู้ตัวบางคนนี่ไม่ได้เดี๋ยววันนี้ต้องไปจับจัดการกับมารเท่าน่อยแหมคนอื่นคนอื่นอันนี้จะไปจัดการคนอื่นเขาอันนั้นไม่ต้องหรอกนะจัดการกิเลสมารของเราเองดีกว่า หากในสมัยใดพระอริยสาวกประกอบด้วยความเพียรในการเจริญโพธิปักกิยธรรม3าสิประการคือสติปฐานสสั ม, มัปปทานสอิทธิบาทสี่อินรีห้าพระห้าโพชฌงเจ็อริยมัคมีองคปดในสมัยนั้นเสียงของเทวดาย่อมเปล่งออกไปในเราเทวดาว่าพระอริยสาวกนี้ กำลังทําสงครามกับมารหลักกี้เนี่ยพอคิดจะบวชใช่ไหมพวกเทวดาเนี่ยคิดว่าโอ้โหผู้นี้กําลังคิดจะทําสงครามกับมารแค่คิดนะอันนั้นแค่คิดแต่ตอนนี้อะไรอะ่ะบอกว่าพระอริยะสาวงที่กําลังเพียรและกําลังต่อสู้น้าเนี่ยใช้สูตรไหนก็นแล้วแต่กูจะใช้สติปัฏฐานสี่อิทธิอะไร สามารถประธานสีอิธิบายสีอะไรก็แล้วแต่นะนะคุณคุณกำลังใช้สูตรไหนก็ได้กำลังสู้กับมารเนี่ยเนี่ยเนี่ ย, ยโอ้โหเทวดาแท้ซองอีกแล้วเหมือนเข้าบรรษาที่ผ่านมาเนี่ยนะบางคนมาตั้งตะบะเนี่ยหือแล้วก็ลงมือต่อสู้กับกิบกเลสตัวเองนั่นแหละไม่รู้ใครได้ยินเสียงเทวดามั้งเป่าเทวดาเสียงเทวดานี่เสียงทิพนะ เสียงเทวดาต้องหูเทวดานะถึงจะฟังเสียงเทวดาออกถ้าหูแบบประเภทหูหมาหูแมวหูหูหนูอะไรพวกนี้ฟังเสียงเทวดาไม่ออกหรอกต้องหูเทวดาถึงจะฟังเสียงทิพได้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนนี้เป็นเสียงทิพนาะที่บอกว่าพระอริยะสาวกนี้กำลังทําสงครามกับมาร นะโอ้โหแซ่สองสารเสริญใหญ่เลยหากในสมัยใดพระอริยักสาวกกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้อาสวะนี่คือกิเลสกิเลสที่หมักมมอยู่ภายในเราเนี่ยแหละเขาเรียกว่าอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ ในสมัยนั้นเสียงของเทวดาย่อมเปลงออกไปในเหล่าเทวดาว่าพระอริยสาวกนี้พิคิดสงครามชนะแดนแห่งสงครามแล้วครอบครองอยู่มีอยู่สามระลอกระลอกแรกคิดโอ้โหแค่นี้คุณได้บุญแล้วนะคําว่าเทวดาสรเสรนี่คือเราได้บุญกุศลแล้วเพราะงั้นใครแค่คิดจะทําดีนี่คุณได้บุญกุศลแล้ว คุณคิดจะตั้งตบาบะคุณคิดจะเพิ่มสีของคุณนี่คุณได้บุญกุศลแล้วคําว่าเทวดาแท้ซ้องนี่ต้องรู้ว่าหมายถึงว่าเราเรากำลังคิดดีแล้วเป็นกุศลกิจเพราะฉะนั้นตอนนี้บุญในด้านของความคิดเรามโนกรรมนี่กําลังได้เพิ่มบุญบรารมีของเราขึ้นไปแล้วพอคิดเสร็จลงมือทำนะบุญขั้นที่สองแล้วลงมือทํานี่เป็นบุญขั้นที่สอง คุณอย่าเพิ่งไปห่วงว่าแพ้หรือชนะแค่คุณลงมือทํานี่คุณได้บุญแล้วเพราะว่าเราคิดจะสู้กับกิเลสใช่ไหมแต่เรายังไม่รู้นี่ว่าแพ้หรือชนะแล้วพระเจ้าก็ไม่ได้พูดถึงแพ้หรือชนะด้วยในขั้นที่สองท่านพูดแค่ว่าแหมใช้ความเพียรคือลงมือสู้กิเลสนี้เป็นบุญระดับสองมากกว่าคิดคนคิดนี่บุญเบื้องต้นเท่านั้นเองเพราะคิดแล้วเปลี่ยนความคิดง่าย คิดนี่แปรปวนง่ายใช่ไหมว่าอันนี้เป็นบุญแค่เบื้องต้นแต่คุณคิดแล้วคุณลงมือทําด้วยนี่บุญสองชั้นแล้วพอคุณลงมือทํานี่คุณได้บุญชั้นที่สองแต่ถ้าคราวนี้พอลงมือทาปับ๊บได้บุญปุ๊บคุณแพ้อตมาถามหน่อยว่าคุณแพ้ไปเนี่ยบุญที่คุณลงมือทํานี่หายไหมไม่หายเพราะคุณทาไปแล้วอะ่ะ คุณลงมือคุณตั้งใจคุณแล้วคุณลงมือทําไปแล้วมันจะไปหายไปไหนอะก็เราทําไปแล้วเพียงแต่ว่ามันไม่สําเร็จเท่านั้นเองคุณยังได้บุญไม่ไม่มากพอมันถึงยังไม่สําเร็จหรือเรายังมีความเพียรไม่มากพอลหรครับแต่บุญนะคุณได้แล้วนะนี่ต่อให้คุณแพ้เนี่ยคุณก็ได้บุญนะซึ่งอันเนี้ยแต่มารู้สึกว่าเอ๊ะทาไมคนไม่ค่อยเข้าใจพอเวลาแพ้เสร็จแล้วไงพวกเนี้ยเวลาตั้งตบาบะแล้วเวลาล้มเนี่ย รู้สึกยังไงบ้างฮะไม่มีแรงทําไมถึงไม่มีแรงทําไมถึงหมดแรงมันล้มบ่อยล้มแล้วหัวโขกพื้นหรือไงมันถึงหมดเรี้ยวหมดแรงฮะล้มนี่ล้มแล้วหัวโขกพื้นหรือเปล่าก็ไม่โขกใช่ไหที่จริงทจริงเนี่ยล้มเนี่ยมันมันไม่เกี่ยวเลยนะถึงบอกว่าถ้าเราตั้งใจทําไปแล้วนี่นะ ความตั้งใจที่เราทำไปเนี่ยเป็นบุญกุศลส่วนแพ้เนี่ยถ้าคุณไม่สู้คุณแพ้หรือชนะถ้าคุณไม่ลงมือทำเนี่ยคุณแพ้ใช่ไหมถ้าคุณสู้แล้วแพ้คุณเสียอะไรคุณเสียอะไรไม่เสียอะไรถูกไ้ยล่ะราอมันแพ้อยู่แล้วทาไมสู้ถึงบอกว่าเอ๊ะทำไมคิดไม่ออกก็แค่นี้แล้วทำไมคุณจะต้องไปเศร้าเสียใจ ไอ้ที่คุณล้มไปนะ ก, ก, ก็ตอนแรกก็ล้มอยู่แล้วอะ่ะที่จริงอะถูกกับป่ะตอนแรกคุณล้มอยู่แล้วที่คุณพยายามลุกขึ้นมายืนเออคุณได้บุญสิที่คุณลุกขึ้นมายืนถูกกับ่าส่วนครั้นี้พอล้มลงไปใหม่เอา้าก็เหมือนไอท้ทีแรกอะก็ทีแรก ก, ก็นอนอยู่ที่พื้นเนี่ยไม่ได้ลุกขึ้นมาเอา้ยคุณไม่ได้ขาดทุนอะไรเลยนี่ใช่หรือเปล่าอะเอา้าแล้วคุณไปคิดได้ยังไงว่าคุณขาดทุน เห็นไหมันไม่น่าที่จะต้องคิดแล้วโอ้โหไม่ไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงเอ้คิดยังไงแล้วมาก็สงสัยอยู่เรื่อยนี่เขาคิดกันยังไงนะทั้งทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ยลุกขึ้นมายืนได้แสดงว่าคุณเริ่มกําลังจะมีแรงถูกป่ะอ่าใช่ไหมคุณกําลังพยายามทําให้แข็งแรงขึ้นใช่ไหมแล้วลุกขึ้นมายืนอ่าแต่นี้มันยังแข็งแรงไม่พอล่ะฮะ สังเกตมาอย่างย่งลูกของสัตว์เนี่ยที่เพิ่งคลอดออกมาเห็นไหมที่เป็นลูกอ่อนออ น, นะพวกพวกอะไรอะพวกกวางพวกม้าพวกวัวพวกนะพวกกวางพวกเก้งพวกอะไรนี้เห็นชัดพอออกคลอดมาปุ๊บทันทีเลยยังไงมันมันจะพยายามลุกขึ้นมายืนใช่ไหมเพราะขามันยังไม่แข็งแรง วันนี้มันล้มลงไปปั๊บ เ, เดี๋ยวๆอีกสักครู่มันก็พยายามขึ้นมาอีกแล้วขึ้นมาอีกแล้วไม่กี่นาทีอ่ะเดี๋ยวมันเริ่มเออชักชักชักเดินได้แล้วชักเดินได้แล้วเพราะฉะนั้นพวกสัตว์เนี่ยจะไวมากเลยเราจะเห็นได้ชัดเจนมากจะเห็นเลยทําไมมันต้องพยายามยืนให้ได้แล้วเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวมันวิ่งได้แล้ววิ่งตามแม่ตามไปละนะไปกินนมบ้างไปอะไรบ้างเพราะตามสัญชาติญาณของสัตว์จริงๆยิ่งถ้าเป็นสัตว์อยู่ในป่าเขาอะไรพวกนี้เนี่ย คืนไม่รีบโตนะจะเป็นไงตายพวกหมาป่าพวกอะไรมา ง, งาบหมดแหละนะพวกเสือพวกอะไรที่มันจ้องทำลายอยู่เพราะฉะนั้นโดยปกติของสัตว์พวกนี้แล้วจะรีบเลยให้แข็งแรงให้โตเร็วสัตว์อื่นถึงจะมากินได้ยากเพราะมันยังมีสิทธิ์วิ่งหนนะีแล้วก็แม่ก็ช่วยป้องกันไว้บ้างก็จะทาให้รอดเนี่ยถ้าเราเข้าใจอ ย, อย่างนี้ได้เราจะรู้เลยว่าเออ จริงๆไม่ได้เสียอะไรเลยนะคุณไม่ได้เสียอะไรเลยแต่ไม่รู้ทาไมคิดไปคิดมาแล้วก็ไปเสียใจหรือขอพูดมุมกลับว่าใจเสียพอใจเสียก็เลยเสียใจทั้งนั้นที่จริงๆนะถ้าคุณฟังล่อกอธิบายเข้าไปชัดเจนนะถ้าเข้าใจไม่เสียอะไรเลยเราตั้งใจทำความดีจิตก็ดีลงมือกระทำก็พยายามทำอย่างดี แต่มันไม่เก่งน่ะมันก็เลยพลาดบ้างพลังบ้างก็ธรรมดาก็ลุกขึ้นมาใหม่ก็พยายามลุกขึ้นมาใหม่อะ่ะเหมือนลูกวัวอเงี้ยพยายามลุกขึ้นมาใหม่พยายามลุกมาใหม่เดี๋ยวก็ลุกจนได้แล้วก็เดินได้วิ่งได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยพอปรากฏว่พาพอล้มเสร็จเนี่ยแหละลูกคนแพ้ลูกวัวตรงเนี้ยพอล้มแล้วเป็นไงนอนสบายอะไรแบนี ไม่อยากลูกเลยส่วนใหญ่เนี่ยลูกคนแพ้ตรงเนี้ยกลายเป็นอ่อนแอนะไม่เข้มแข็งเท่าเท่าลูกสัตว์ต่างๆประครบประงมมากไปที่ไม่แข็งแรงเพราะปร ะ, ประครบปงมตัวเองมากไปมันเลยอ่อนแอนะไม่เข้มแข็งเหมือนกับสัตว์โลกทั้งหลายที่มันต้องอยู่รอดให้ได้ว่ามันจะแข็งแรง การคลอดก็ตามหรือลูกอ่อนก็ตามที่เกิดออกมาทุกวันเนี่ยไปไมามาลูกคนนี่จะอ่อนแอที่สุดอ่อนแอกว่าสัตว์อื่นๆเขาเลยเนี่ยเตาเตามันออกจากไข่ปั๊บโอ้โหมันคานลงทะเลเองเลยนะคิดดูเอาจอเคร่องจอเคเนี่ยเหมือนกับหมดเลยมันออกมามันคานไม่รู้นะมันรู้ได้ยังไงนะว่าไอแม่น้ำไออะไรอยู่ตรงไหนเออมันไม่รู้มันรู้ได้ยังไงอะแล้วมันก็ คาลงไปถูกซะด้วยนะไม่มีใครสอนมันเลยแต่คนนี่ต้องสอนเยอะอยังเลยนะัตั้งแต่ตัวเล็กๆเยสอนแล้วสอนเล่าเฝ้าแต่สอนมันยังไม่ค่อยจะจําเลยบางทีออ่ อ, อนแอที่สุดเลยกลายไปเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆนะประกบประงมไปเถอะประกบประงมไปเถอะไม่ค่อยให้มันพึ่งตัวเองไม่ค่อยให้มันช่วยตัวเองขึ้นมาบ้างเนี่ยนะเด็กๆเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ย ลูกคนจะเป็นสัตว์โลกที่อ่อนแอที่สุดกว่าสัตว์อื่นๆยังดีที่มีสติปัญญามีสมองไม่อย่างนั้นแล้วไม่มีทางสู้อะไรสัตว์ได้เลยเออนะเอาอันนี้ก็ก็เปรียบให้ฟังนะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเนี่ยถ้าขั้นที่สองเนี่ยถ้าใครเข้าใจว่าเราตั้งตาบาเราถือศีลอะไรล้มพลาดไปไม่เห็นต้องเสียใจไม่เห็นต้องไปทุกข์อะไรเลย ทําทำมอีกทำมอีกเป็นบุญของคุณทั้งนั้นเลยจนกระทั่งในที่สุดคุณพิชิตสงครามนี้ได้พิชิตมา น, นี้ได้แน่นอนไม่มีอย่างอื่นเลยมีอย่างเดียวเท่านั้นคือในที่สุดคือผู้ชนะไม่มีว่าเป็นผู้แพ้ในที่สุดคนแพ้อัตมาพูดบ่อยว่าคนแพ้คือคนที่ฮะคนที่นอนแล้วไม่ยอมลุกนั่นแหละคือคนแพ้ ถ้าตราบใดคนนั้นเนี่ยยังลุกขึ้นมาอีกใช่ไหมล้มกี่ครั้งอะธรรมาเคยเขียนเป็นสโลกเอาไว้อะนะนะจะล้มถึงร้อยครั้งจะล้มถึงพันครั้งถึงหมื่นครั้งยังไงก็แล้วแต่ถ้าตราบใดทุกครั้งที่ล้มเราก็ยังลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาอีกคนนั้นยังไม่แพ้ไม่มีคําว่าแพ้ในพจนานุกรมของคนที่ยังลุกอยู่นะคำว่าแพ้นี่ใช้กับคนที่ไม่ยอมลุกขึ้นมาเท่านั้นถึงจะคือผู้แพ้ นะลองพยายามดูอีกหลายคนเนี่ยทำเป็นแก้งลืมตะบะไปแล้วนะพรา ะ, ะไปทบทวนดูให้ดีว่ามีตบาบะอะไรที่แหมหลายภาษาแล้วนะยังไม่ยอมผ่านให้ทะลุปูโป่ปงสักทีหนึ่งนะไปไปไปไนั่นดูให้ดีดีอ่ะที่จริงมันมีสูตรอื่นอีกแต่พอดีนะเวลามันพอสมควรแล้วอาตมาก็สรุปนะตรงนี้ให้ฟังว่าเนะี่ย นะพระอริยสาวกย่อมคิดเพื่อทําสงครามกับมารกําลังทําสงครามกับมารแล้วก็พิชิตมารคุณจะเป็นผู้พิชิตมาร์กไหมอยู่ที่ความเพียรอยู่ที่ความเข้าใจอันเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าวันนี้เนี่ยเข้าใจฟังแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิได้คุณพิชิตมารได้แน่นะอ้าวันนี้คงฝากไว้ท่านี้